สัตวะตูอรหัตตูตัมมาสัมพุ m ธะสัตวะตูอรหัตตูตมาสัมพุทธนัโมตจะสัตวะตูอรหัตตูตมาสัมพุทธนัโมตจะปปุระสัมมาสัมพุทอิทิสุโภหกวาหัสัมมาสพุทธวาิ นาโอกาสบัตนี้อาะมาภาพการแสดงพระธรรมเจดีชนาในธรรมเมืฐานเพื่อเรื่องโงสงองค์พระสกทาบารมีที่บรรดาธิิศราทานบโบดีทั้งหลายได้พร้อมใจมากประเพณูผลประจะําปักเพื่อเพน่อไกข้ามเดินห้าวันนี้เป็นวันศุกร์คงคุณที่สิบเนึ่สายจนพระวันห้ารอยสิ การริบัญดาเป็นพุทธบุตรสัตธรรหลายตั้งใจมาระเป็นกุนนศลดุงชสีในวันนี้ทุกคนมีความหวังดีในตัวเองแมนคือต้องการพุทนบายภูมิเพื่อการหนึ่งการถวายทานเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภสองการรักษาสิ่งเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธ ถามงานดับระดับพธรรมเทศนาพราะองค์สมเด็จพสัมมาสัพทธเป็นปใจจัตัดโมหะความหลงถ้ากิานเนยต้องสารโดยการบรรดาตรดแต่พกไอสัตว์ตัดได้ถู้ว่าทุกคนปฏิภาณแน่นอนราะว่าถ้าบารมียังอ่อนไม่สามารถจะปฏิภาณได้สิ่งที่ท่านจะไปรูมิหนึ่งสวรรค์สองพุมมโลกสามมนุษย์ที่มีความสุขทังหม เรืงความว่าวันนี้บรรดาเป็นพนักงานทั้งหลายตั้งใจมาสร้างความดีเพื่อตัวเองเพื่อการเทศน์วันนี้บรรดาแต่บริษัทควรจะเทศสักสอ์อย่างร่วมกันคือการบทเมญกับการบทชีคําว่าเมญแลลปลว่าลูกพระอภบาลนี้แปลว่าเขาสร้างสะอาดจังสมนนเนโรเดินไปเอากองสมณะเป็นต้น การบทเนรบรรดานเนรต่างๆต้องทราบว่าเราเป็นเนรเนรนี่ไม่ใช่คราวาสอย่าทําตัวอย่างคราวาสไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรราเราเป็นปูชนีบุคคลเป็นบุคคลที่บ้านต้องไหว้สมุูชาต้องมีความเข้าใจว่าการโกนหัวกาห ม, มบ้าเหลืองถ้แปลงเพศมาจากฆราวาดแล้ว ต้องบังคับปฏิบัติตนเองให้เป็นความบริสุทธิ์ต่อสโดยเพราะอย่างยิ่งสิ้อย่างยิ่งสิ้นกิจการมีสปานาริบัติเป็นต้นมีชาตรูที่สุดต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าเป็นในนานๆก็ต้องบัดปฏิบัติในเสถีวัดอีกเจ็ดสิห้าคอในจริงๆนี้ปฏิบัติจริงๆองปฏิบัติแปดสิบห้าคอจะได้ยเงไา เพราะว่าหลักใหญ่นี่เราอยู่ในศีลสิกการบทเน้นแต่ละข่าวอันนี้สูงมากถ้าแคนที่บทเน้นทุกคนบทเปิดเน้นแล้วจะมีอันนี้สงเกิดเป็นเจ้ดาก็ได้เป็นดาวฟ้าก็ได้เป็นพงก็ได้สามสิบกับพ่อกับแม่จะอยู่ที่ไหนก็ตามจะรู้ว่ารู้บทหรือไม่รู้ว่ไม่รู้ว่รู้บทก็ตาม ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้โมทนาก็มีสิทธิบุคนสุภาพกับการบวชเยนบวชพระมีสองต่างจากในสองอืน่นไอ้สออื่นนั้นต้องโมทนาก่อนจะได้บุรถ้าการบวชเลนบวชพระ ท, ที่พ่อแม่ไม่จาเป็นต้องโมทนาทสมมติท่านไม่รู้นะไม่รู้ก็ได้รู้ก็ได้แต่การบวชเป็นเลนก็ถือว่าเลนสงมา สำหรับบรรดาญาติโยมบริษัทที่ทำบุญบ่มบทญนิบาทรองบ้างสองดึงบ้างเคยนั้นบ้างตางอย่ายสายต่างที่มีพราจะได้อายสงไปอยู่บนสวรรค์ด้วยบวามโลภคสีกับเวลากลับหนึ่งจะนับเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันไม่ได้ใช้เวลามาก้าทีองค์าเลพูดเพื่อเขาจงตัดว่าเมื่อกับพวกเขาอีกน้ ที่มีหินแข็งล้วนยาวหนึ่งโยชนกว้างหนึ่งโยชนสูงหนึ่งโยชนเวลาหนึ่งร้อยปีมีเทวดาฟาดเนื้อมุ่งเหมือนสำรีมาปัดถึงค่าง ป, ปัดแปดบวก็ไปร้อยปีไปค่างหนึ่งร้อยปีไปค่างหนึ่ง 1. พลวก็ท่างวกเขาหินื่องหมดไปไม่มีหินบดเตียนและดินที่ใ่้เวลาหนึ่งกับตะกอิมาน ในหนึ่งอนุนสติมากแกล่าวว่าเหมือนกับมีถังโล่ใหญ่สี่เหลี่ยมกว้างหนึ่งโยยาว1โยชง์สูงหนึ่งโยมีเม็ดพันกระดาศมเมศ็ดระกับมาเล็กมากเล็กเล็กเต็มหนึ่งถังพอถึงร้อยปีธรรมดามาหยิบออกจากถังหนึ่งเม็ดถึงร้อยปีอีนหนึ่งเม็ด กว่าจะหมดให้ธรรมกาศเนียต้จะใช้เข้าเวลานี่เหมือนกับการเสมอเดนอย่างนี้บรรดาจะเขาด้วยสัตว์หลายหรืว่าเป็นคนมีโชคดีแต่ว่าในทุกองต้องประดับตนให้ดีนะในพระจากรสินให้เวลาไม่กี่วันจะออกผลเพราะว่าถ้าเราก้าวจากสินก็สามารถรองใบหญิงได้ ถ้าพรว่าทำบาปสมมติว่าพระว่าฆ่าปลาตัวเท่าเทกันน้อยตัวแล้วก็พระว่าฆ่าปลาตัวเท่าเขาหนึ่งตัวถ้ามัานเงมีบาปมากกว่าพระว่ามากก็ต้องปกครองหนักกว่าเขามีโทษหนักกว่าเขาทั้งนี้พวกเราในบุคคลจะบ่าต้องบูชาเพราก็่าการ บ, บทในนิกายนิสงใหญ่ ทำบวดได้ทุกปีปีละสามสิบกัปสองปีหกสิบกัปเข้าพรสามปีเก้าสิบกัปสีปีก็ว่าเป็นจด้วนสวยางามนะ<อ>ก็รงความว่าการบวในเรื่องของดีแล้วาาจงบวให้ดีอยาทำลายสิ่งนั้นจะข้อใดคนอหนึ่งใการด้ียสอนจรยาบัญญัติที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้สมอูมุ์ ดูในสภาพเรียบร้อยทำงานได้ทุกอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งมัขนข้อระวังคมาประการที่สองมีคนบวชชีพรามณ์ตัาเกอน์สตรีบวชชีพรามณญาโยคุบุญจันท ร, ร์บวชชีพราม์ไอ้คำว่าชีพราม์นั้นเป็นท่านทเป็นอย่างเปของตั้งเลยนะคำ ว, ว, ว่าบวชชีก็คือถือสิ่งที่ว่าของเราไม่ให้เดือดแป ให้รักษากระบท10ิเพราะว่าสิ้นแปเป็นอย่างพื้นฐานต่ำกว่ากระบท10ิษท่านหมายถงะไิ้นแปดมีแปข้อกระบท10มิมีสิบข้อการบริสุทิมีรักษาอย่างหน่กายการรมทาทางกายได้กระดงไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สาไม่กระตุกใกรรม ทางวาจารูสี่คือหนึ่งไม่พูดปกหสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดชาบ้านก็แต่งเร้ากันสี่ไม่พูดวาจาไรประโยชน์ก็เรื อ, อยๆไหลทั้งกายกรรม็ดีทั้งใจกรรมดีทั้งสองอย่างนีถ้าปฏิบัติได้ทรบถ่วนเป็นคุ้นฐานขนยของสวรรค์ด้วยระมารรก ตายจากความเป็นคนแล้วจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปสัมมาโลกก็ได้ถ้าจิตมีสมาธิจะทรงสินได้ดีทรงในทั้งสิบเจ็ดการนี้ได้ดีพ้นพ้นไม่บกพร่องไม่ต้องระวังอย่างนี้นที่เราวิชาในกำหนดจิตตายจากความนัไปไปสัมมาโลกถ้ายังรักษาอย่างเหตุมีต้องระวังอยู่ความแม่นคงอย่างน้อยอย่างนี้นตายจากความเป็นคนก็ไปสวรรค์ สำหรับมนโกนกรรมสามเขาได้ผิตใจสิ่งนี้ไม่ได้บังคับใจแล้วการบทศิษบังคับใจด้วย <c oughs> มนโกนการมสามได้แก่หนึ่งอภิชาไม่พื่อเริงอยากได้สะสมหมายของใครโดยไม่ชอบทำนั่หมายถาว่าไม่ต้องการอยากจะรักอยากจะโอบล้อมไม่ตรงการอยากจะยิ่งแยงสักสิ่งลูกคนใดสำหรับเฉพาะสีธรรมดา จิตมันอยากจะลักจิตมันอากจะขโมยแต่มือไม่หยุดตัวสินขาดยังอยากพอระบทสิบขันบดสิบห้ามใจเลยถ้าเป็นสมบัติของเขาเราไม่ต้องกายท้าวัตถุของเขาขายเราอยากจะได้เราซื้ออันนี้มีห้ามหินไม่ขาดไม่ปกค้องเจ้าของเขาไม่ขายถ้าเขาขายเราจเราจะไม่ซื้อจะมวยเขาที่ห้าม ห้ามนึกอยากจะนั่เจริญโภคเขาโดยการนี้สองด้านมโนกรรมได้แต่ไม่ความโกรยังมีอยู่แต่ไม่เจองด้านจองฐานไม่ยะบาชใครไม่คิดจะมีค่าเกียนค่าใครหมดแล้วก็แล้วก็ไปเรื่องกันไปที่ตัวนี้เป็นการทำลายธงสระรูแรกทำลายโลภะครรมโลภก็ค่อยัๆ ตัวสองทำลายโทสะยับยั้งโทสะตัวรู้สางสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบถ้ายัางอ่อนก็มีความเห็นตรงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งทั้งสิบข้อที่เราปฏิบัติมันเป็นของดีคนปฏิบัติตามเรายอมรับมาถึงพระพุทธเจ้ามาทำพระอริยสงฆ์ก็มีความดีน้ายังอ่อนนะ ถ้ายังเข้มแข็ง่านสุดท้ายสันมาวิชช์ถึงอริยสัจคือเห็ว่ากายเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความคัดเคร้าจะกความรักความเศรใจเป็นทุกข์ความบาดสนาไม่เคสมหวังเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์เห็นทุกนเมรุสัจ นั the si wild, apping, no ่นเมื si has has right. lan, ่อได้เมื่อเป็นทุกข์แล้วก็คิดว่ากายเกิดเป็นคนมาเป็นทุกข์คนทุกคนต้องมีความหิวความหิวเป็นทุกข์คนทุกคนต้องมีความกระหายความกระหายเป็นทุกข์คนทุกคนต้องมีความปวดจาระปวดเสลวะาอาการปวจระปวดเสลว่นี่ก็เป็นทุกข์คนทุกคนต้องแก่ความแก่เป็นทุกข์คนทุกคนต้องมีความปวดแข้ไม่สบายอาการปวดไข้ไปสบายนี่ป็นทุกข์ คนทุกคนต้องมีการทัดท่าจากของเราขอจะใจคนที่ ร, รักต้องเขาจะชอบใจอย่างบิดามารดาผู้าติยายเพื่อที่เพื่องเราตามปก ต, ติอแล้วจะคิดว่าเดืที่เพื่องเราการจะสมัยนั้นไม่ได้เพราะข่ า, า, เานเกิดก่อนเราท่านอาจจะต้องตายก่อนเราเมื่อท่า น, นตายแล้วเราหมดที่พึ่งเราก็ไปทุกข์เมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราก็ไปทุกข์ถ้ามันก็ไปทุกข์ไปถึงแทบเป็นนษ ถ้าเป็นมนุษย์มีจิตสามหมายความมีจิตเป็นทั่วอยากจะทำบาปอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติในการมอยากพูดปดอยากพูดคำหยาอยากพูดส่ อ, อเสียดอยากพูดเพ้อเจ้อเหนียหลายเรือต้นถ้าเป็นกำลังใจอย่างนี้เมื่อใจมันอยากมือว่าปฏิบัติตามมือตามใจ ความต้อพูดทางใจเพราะความโชคอะไรก็ทางมือทางใจทางเท้าในเรื่องความโชคมีสักอย่างนึงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเอาโดยเฉพาะไม่ทางข้อใดข้อหนึอย่าฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าสัตว์ให้ตายจงทางของความปรารถนาอย่างยุ่งมันกัดเราบีอ้อยุ่ให้ตายผู้บาปผู้าปานาจุบัด มรสกัดกดิ้มมรสในตายบาปพระเจ้าสัต์เกก็บาปสัตว์เลกก็ชีวิตสัตจจะมันชีวิตถ้าเรามีบาปเพียงข้อเดียวเวลาเราจะตายขึ้นมาเผิญเวลานั้นจิตเป็นอกุศลไม่คิดถึงบุญที่ทำแล้วคิดถึงระบาดฆ่าบาปปรากฏว่าเราเคยดิ้งยุงบาง้างเราเคยฆ่ามด บ, บ้างเมื่อจิตเป็นอกุศลก็เพราะความอย่างนี้บุญอื่นไม่สามารถจะเข้าได้ เมื่อจิตมาในกายออกจากร่างเข้าไปในอบายสุนตันทีโดยไม่รบได้ด้วยกันถ้าว่าถาาเรารักษาสิทธิ์อย่างเด่นืละจีรักษางำบดติทุกคนตั้งใจนึกถึงถึงสิทไว้ตั้งใจนึกถึงกคำบดติไว้ว่าเป็นอะไรบ้างคุกข้อเราจะไม่ยอมให้พาดแม้แต่ในสิทธิ์เป็นพระวัดแล้วไม่ปฏิบัติในคำบดติ ให้เผื่อเราสม บ, บูรณ์สเป็นจิตใจของเราขึ้นหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์แล้ก็เ ม, มรุจึงจะทำไมไม่อยากจะฆ่าสัตว์ทราพย์ถิ่นที่ในใจของเราเราไม่อยากได้เราไม่ทํากามเมธีฉายจาราาถ้าเราจะไม่พูดโกหเราจะไม่พูดคําหยาบไม่พูดคาเสียดไม่พูดเพ้อเจี๊ยเหลวไหลจิตใจเราจะห่างความอยากได้ทัพสมบัติของอุกุศิล ถ้าเาไม่สามารถ จ, จะหาได้โดยตัวเองเราจะไม่ต้องการสใดก็ตามก็ตามที่เราเป็นความต้องการถ้าสามารถทาได้เราพอใจถาความโกรธอาจจะมีอยู่แต่ไม่จองนั่งสองขายไข่ไม่ทำใจบอกว่าในความโกรธถ้าการต่อไปมีความเชื่อในพระเจ้าทำอะไรก็อดีตะสง์เป็นอย่างอ่อนอย่างสัดว์ไทยหือแม้แตสัตว์เมืร่เกิดเป็นทุกข์ ในเมื่อทุกคนเห็นว่ากายเกิดเป็นทุกอย่างนี้แล้วเป็นความทั่วทั้งสิบสากลในใจตายจากความเปนคนยาวต่ำก็เป็นอมตะที่หลังฟ้าอย่างกลางก็เป็นลมถ้ามั่นคงในอริยสัจเจอทุกอสัตว์เห็นว่ากายเกิดเป็นทุกก็ปัญผันดังนันขาบรรดาเป็นมรรยสัตว์ทุกท่าน ว่ความดีของทุกคนที่มันนั่งในวันนี้เป็นความดีที่เสด็จในนานจะทำิปครั้งหนึ่งตามโบติกรักษาชิ้นแปดอุโบสถศีลอุโบสถศีลนั้นไม่ได้ห้ามใจก็ห้ามมือห้ามปากแต่กาหบดชิึกี้ห้ามใจด้วยไม่สมื่อกันแล้วการรักษากุโบวิศึก็ได้กาไรกว่ารักษาชิ้นแปดอุโบสถศีล ทั้งนี้พออ่พกกอหลายพบกำหนดจิตกินข้าวตอนบ่ายตอนเย็นได้คิตใ่กินข้าวตอนบ่ายตอเย็นไม่ได้แต่ว่าทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะว่าเพรจิไม่ดีหรือเพราะว่ า, าดวงสติไม่ดีนะก็ไ ม, ไม่ใช่อย่างนั้นนะนด้รรด ว, ว, รร ว, ว, ว่ามสติสิ้นทัศนจาระพามาจตญาวีระมณีเป็นขอความเป็นคุณท้าจารยับยั้งการร่วมรักตวายชายสกิลในการปฏิบัติเจริญธรรมจารย์เฉพาะวันหนึ่งกับคืน ตืนเงินน้อยเกินไปสำหรับเวลาในการปฏิบัติในสมบทสิบเขาต้อทราบว่าสองตอนแรกคือกายกรรมกับวิจิกรรมเป็นพื้นฐานให้เกิดเป็นนางฟ้าเป็นเจ้าดาหรสมสำหรับบัณฑุกรรมเป็นพื้นฐานให้ไปนิพพานขอพระดาจะพุทธบิกสัตทุกท่านจงรกษาความดีให้มากรักษาความดีให้ทรงตัว ถ้ะที่จะมาพูดกันเรืงด้านอานิสงส์ต่างๆที่บรรดาธรพดบริษัทหลายธรรมพระพ่ออย่างยิ่งกับบทสิกาเสินห้าพระสีอานได้เคยสั่งไว้ว่าเมื่อวันที่หกมิถุนายนวันนั้นอาตมาเขาบอกวันที่สิบหกในนาคมวันนั้นตอนกันงคืนมันจะตาย ล้างท้องตามธรรมดาลั่งท้องไม่มีรรามอาการเจ็บปมดแทรกแม้ก็สบายตอนหลับแต่วันนั้นแปลกเป็นล้างท้องเสร็จข้าออกไปหมดคนออกไปหมดเลยคนเดียวพวลารม า, านพุ่งขึ้นมีมาอาการเจียปวดท้องอย่างมากร้างกายก็ร้อนจัดแม้ก็บังคับให้ดูถ่ายให้เข้าส้วมเขา้าเอานิดหน่อย กลับมาอีกเพราะเขาปดท้องอีกปวดหมดอีกก็ต้องไปแล้วยังนี้เกิดทิ้เที่ยวแดก็แดงจะไม่ไหวพอถึงเวลาสองทุ่มเศษก็มีความคิดในใจว่าขึ้นชันห้ามันมีความทุกอย่างนี้เราจะสนใจอะไรกับขันห้าเมื่อขันห้ามันจะป่วยก็เชิมันป่วยคันห้ามันจะตายก็เชิมันตาย การป่วยการตายไี่ใครช่วยไม่ได้ใครแบ่งเบาภาระไม่ได้ยังตัดสิ้งใจเองกายลงนอนนอนแล้วก็นักงใจนึกถึงพระภาวนาตามปกติจิตจะผลิพันเป็นอารมณ์หลังจากนั้นเมื่อไหวพระเสร็จก็ออกจากร่างกายขอบคุณธรรมดาที่ท่านอารักขา มีเทวดามีนางฟ้ามากสมาิีนางขางใกล้ขอบคุณท่านแล้วก็ไปที่เทวสภาระที่นั่นมีเทดามีผมประชุมกันเต็มหมดืม่อไปคุยกัท่านขอขอขอบคุณทุกท่า น, ท, านที่ราไม่ชการช่วยเหลือในกานอนสางแล้วหลังจากนั้นก็ไปมิถานและข้าองค์ของเด็กพระบัณฑิตแก้วในปัจจุบัน โอวันมไม่ไหวกันนะท่านก็แนะนำบอกวิธีไอหาอมตะผมพอเดี๋ยวทย่านจะมาที่วิบายนอรสือปฏิบายนวยิบ า, ายนั่งท่านก่อนก็ไปที่นั่นก่อนเมื่อไปแล้วไปถึงท่านไหวเสร็จท่อบอกไปไหบายนคือเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์บอกครอบที่นั่นแล้วก็กลับมาที่ดิมมานพอถึงนิมมานหลวงพ่อเจ้าเต็มไปหมดไม่ว่ากี่แสนองค์ท่านใหญ่สูงสวยงามมาก เราพบเจอพกะเจ้าที่สวยงามเหมือนกันแล้วต่อมาถ้าเราเจอแว่าเรากินตอนเย็นตอนก่อนที่จะป่วยก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราหล่อถ้าเป็นอุปสมแล้วภารกิจใหญ่ของเราใกล้จะหมดที่หายก็ใกล้จะเสร็จแล้วเพิ่มมาดับถ้าต่อไปเราทางเดินร้อยไร่ก็ใกล้จะเสร็จเข้าใจว่าอย่างใช้สิ่งทีก็เสร็จ การก็หมดภาระาในการงาน ไ, นไม่หมดเมื่อนู้นหมภาระา ใ, นาานในการงรานได้กังวลน้ำการก็ไม่มีพ้าวเนียไม่จะมีไงก็ไม่มีกังวลหรือว่าเปเรื่องธรงรมดาถ้าหาเงินได้ก็ทํางานสร้างรายไปหาเงินไม่ได้ก่อเลยอาจจะไปข้างแค่ไหนก็สร้างมันก็ถือว่าไม่จะพาระาเราต้องเข้าไปห่วงกั ความรู้สึกตอนนี้มีอยู่กใกล้ๆก่อนจะภาวนาพอเข้าไปถึงนี่มานแล้วท่านหลวงปู่สงฆกตัดว่าเธอจะคิดจะคิดอย่างว่างานที่เธอจะทํามันใกล้จะเสร็จแล้วบอกว่ามันน้อยดนะครับท่านก็ น, น้อยลงถ้าไงก็เลยน้อยถ้าบอกยังไม่เสร็จฉันมีความต้องการให้รอ ก, ก็ที่อ่านถามว่ารอทำไมก็เลยบอกว่าต้องรอ เพราเพินที่เขาทมือเพ่อรอฉันมันเหลือเวลาที่ท่านงีญาติโยมส่งเงินมาอีกลออมภสมท่านไลสั่งให้สร้างมันเอ่อมันบกพิอ่านขึ้นในสถานที่ใกล้ๆบกของท่านทำแบบเดียวคนดบกของพวกพ่านเพื่อถามว่าจะรอพระอจะอ่านไปยังไงท่านก็บอกว่าถ่านไ้เลือกเห้อ่านมา เขาเนี่อเขาที่อ่านจ ม, มาในเมืม่อเขาที่อ่านมาแล้วก็ถานลอยจะให้หล่อแบบไห น, นแต่ความจริงเขาทีอ่านในสีสดสวยมา ก, มาการามประดับแคลาเป็นรสว่างเป็นพิเศษสวยจัดสีหลายสีขึประดับแต่ว่าเวลาจะหล่อจริงๆครับดูได้ดูถ้าหล่อเป็นลูกยืครับ แล้วเครื่องประดับเทั่งหมดไม่ต้องการให้มีสีต้องการแจ้วขาวอย่างเจ้วใสอย่างเดียวส่วนที่เป็นเนื้อให้เป็นเนื้อเนื้อก็่เป็นเนื้อสีขาวถ้าว่าถ้าอากแจ้าปิดก็ยังเหมือนแจ้วเครื่องประดับที่เสื้อที่รองเท้าจะทำยังไงถ้าเราก็ปิดทองก็ได้ปิดใสเงินก็ได้ถ้าปิดใส่เงินยังยังใช้เงินเนื้อของท่าน เ้ า, เาท่านพระเดชฯดูท่ายีนมือขวาถือจักรจะห้อยเหนเฉยๆมือซ้ายถือว่ากระเพกก็ถาว่ามีจักรมือกระแขกทาไมถ้าบอกผมห้อยเฉยๆไว่ท่านักรบจักหมายถึงทรไมจับเป็นมายความาว่มาคนใดที่มีกิเลสหนามากมีทุติมานะหมามากก็ใช้จักปราบกลางคือทำไมจับคนใดที่มีเกณฑ์น้อย ก็ใช้ระขันเคาะหรือวัตถุหรือปุ่ดก็หายอย่างเช่นกระสุรเชือกถ้าส่งปุ่ดีวิชาดอกปุ่ถ้าถามว่าจะให้หล่อเป็นพระหรือเเทวดาถ้าบอกว่าเวลานี้ผมเป็นปเทวดาให้หลอ่อกบบแบบเทวดาทำให้ลูกเทวด า, าก็ถามแล้วบอกว่าถ้าคนต้องการจะเกิดในสมัยทุงท่านจะต้องทําะไรไว้ เขาบอกว่าคนของผมผมฝากสั่งไว้แล้วนะให้แนะนํำบวยมีหลายแสนคนคนดีเด่นในสมัยของผมถามว่าแนะนํานะแนะนําแล้วทุกอย่างแต่ไม่รับไม่รู้ข้อเจาะจงให้เจาะจงไปว่าทําบุญอย่างไรที่จะทันาศ า, าสนาที่อ่านที่สนาบก็มีบา ร, รมีอ่อนนะมีบา ร, รมีเชิงสาระการวิญญาณศาสตร์นี้ ถ้าผมมูลนรมอ่อนตั้งใจเป็นาพานชาติพระี่อ่านเพรว่าเระหว่างแผ่นน้สองอย่างก็ได้ถ้าตั้งใจเป็นพานชาตินี้ถ้ า, ถาชาตาตินี้เาเดินพันสมัย้รที่อ่านยังก็ได้ถ้าบอกว่าให้ทุกคนไม่ต้องการเกิดทันสมัยผมให้รักษาศิลปห้าเป็นปกติรักษ า, ากมหัติิเป็นปกติทุกวันไม่ฆ่าเครื่องอย่ามีไปอุ ก, กติเป็นงู เวลาเกิดในสมัยผมฟังเทศเจ้าข้อเล็กๆและสั้นๆก็บรรลุมรผลทันทีถ้าบางท่านปฏิบัติอ่อนกว่านั้นรักษ า, าด้วยศีกเหมือนกันก็บรรลุห้าบวครบแต่ว่าบางทีย่อมมีการเสเล็กน้อยอย่างนี้ในวิปัสสติเป็นอยู่หมายความว่ถ้าเกิดในสมัยผมเทศน์เจ้าข้อเขาไม่เข้าใจก็อธิบายเล็กน้อยก็ บ, บรรลุระหัสัน บางท่านที่มีบารมีอ่อนกว่านั้นวันธรมธรมดาธรรมดาอาจจะบกซ่องบ้างเป็นของธรรมดาแต่สําหรับวันพระต้องสายครบถ้วนหั่นศิลป์ห้าดรงบทศิลหมายมความาวตามธรรมดาบางคนกำลังยิ่งอะชีพต่างกันบางคนปลดพลื้พันบัญญาหารก็ต้องฉีดยาคาาเพี้ยฆ่าฆ่าสัต์ ที่บงรอบครัเพื่อปั ญ, ญญาหารบ้างบางคนเนี่ยชีวิตในการปรมงต้องทางการประมงฆ่าปลาค่าสัตว์บ้างถ้าอย่างนี้ถือว่าวันธรรมดาปกค้องได้แล้วออนพระทรงครบสนบริบูรณ์อย่างนี้ถ้าเกิดในสมัยผมเขาเรียกวันเนืยากแค่ข้างเดียวสองข้างยังไม่มีผลต้องทรงเทศในไอ้ฝนสามารถจะหารได้ พระบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบุรหรสมัยหลายมานั่งอยู่ที่ตรงนี้พระภรรดาเร้ก็งเขาตัาง้งเครื่งเทศแล้วเรื่องของพระอาดยมได้ใจถ้าจะว่ากันไปก็ไม่แตกต่างกับเรื่องพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าห้าครบขั้นัาษาถึงห้าครบถ้วนกบถึงครบถ้ว น, น, นที่มีกรณีเจ้าท่นสามารถจะปฏิบัานได้ชาตินี ถ้าัเอินชาติพปลาตสนิพานได้เกิดปเดป็นเทวดาก็ดีนางพรา็ดีพ ร, ระภูมิว่าตามอีกเป็นานนักะันอายกษศลเราก็ฟังเพื่อจับพระที่อ่านภายธรรมชาติกระอวนรัรนสามารถสนิพานได้ธรรดาทังพุทธโดยสัตวหลายมองดูเวลานของหมดแล้วก็วขอยึดิพระธรรมเทศนาลงงไว้นนแต่ปีนี้ใที่สุดใรธรรมเทศนานี้อะตมาพา่าั้งสัญญาดิฐานอ้งางุบารีรัตนใจ มีพระพุธัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตน์ทงสามรายการเขาจะโดบมันดาและมันดาโดยพระสุภสมัยโดยสุนนามีแ่ความสงสวรพิพัฒนามงตนสมบูรณ์ผลผลและจนจเริ่มเป็นจตุววิรย์ใจทั้งสี่ทางการมีอายุวละสงกรบาลละอภิบาลหาพัฒนาเสื่อมใดเพืได้สัตว์ทังความพัฒนาจุลวิตยา อาตมาผ่ารักทางนี้ก็จะนามากขายกปุถุคติธรรมนราลงไว้แต่เนตรงนี้มี่ว่างก็มีประการาชนี